ตอนที่63ในที่สุดก็หาเจ้าเจอเดิมทีซูม่านเฉิงตั้งใจจะออกเดินทางไปฮุ่ยเฉิงตัวรถไฟก็ซื้อไว้เรียบร้อยแล้วแต่เจ้าซูเสียกับซูเจิ้นกลับบอกว่าต้องการให้เขาเข้าร่วมงานแต่งงานของซูเหมียวหลิงนี่คืองานแต่งงานของน้องสาวเจ้าน่าจะขาดไปได้อย่างไรซูเจิ้นเอ่ยด้วยสีหน้าบึ้งตึงส่วนเจ้าซูเสียก็ดึงแขนซูม่านเฉิงไว้พรางเกลียกล่อมว่าพ่อของเจ้าอุตสาออกจากโรงพยาบาลก่อนกําหนดเพื่อมาร่วมงานแต่งงานของเหมียวหลิงตอนนี้ยังต้องกินยาประคองอาการอยู่เลย เจ้ามีธุระสำคัญอะไรนักหนาถึงต้องลางงานในช่วงเวลานี้ผมซูม่นเฉิงอยากจะบอกความจริงกับพ่อแม่ใจจะขาดแต่เมื่อเห็นใบหน้าที่ซีเซียวของบิดาเขาก็จำต้องตืนคำพูดเหล่านั้นลงไปตกลงผมจะอยู่ร่วม ง, งานแต่งงานพอใจหรื อ, อยังครับซูม่นเฉิงคิดว่างานแสดงสินค้ามีเวลาตั้งส5้าวันส่วนงานแต่งงานของซูเหมียวหลิงกับซุนเทียนอวีคือมรอ น, นี้ก็นา่าจะยังไปทันอยู่ ทว่าซูเหมียวหลิงกลับบอกว่าต้องการจัดที่โรงแรมเซิร์ฟหาวที่ดีที่สุดซึ่งคิวงานเลี้ยงยาวไปถึงอีก8ดวันข้างหน้าคนในครอบครัวก็ตามใจนางงานแต่งจึงต้องเลื่อนออกไปอีก8วันจากนั้นนางก็บอกว่าชุดทิธีการที่สั่งตัดมีปัญหาสุดท้ายก็เลื่อนออกไปอีกสมวันในที่สุดงานแต่งงานก็สิ้นสุดลงซูม่านเฉิงรีบขึ้นรถไฟมุ่งหน้าลงใต้ทันทีแต่เมื่อเขาไปถึงหุ้ยเฉิงงานแสดงสินค้าก็ปิดตัวลงเสียแล้วบ้าจริงซูเหมียวหลิงต้องตั้งใจแกล้งแน่ๆ ซูมานเฉิงรีบซื้อตั๋วรถไฟไปห่เฉิงทันทีเขาต้องตามซูมานอินทันเพื่อสืบหาความจริงทั้งหมดให้กระจ่างในขณะเดียวกันซูมานอินและเพื่อนสนิทชินเซียวเย่เว่เพิ่งจะลงจากรถไฟเฉียวหงและตัวแทนคนงานคนอื่นๆมารอรับอยู่ที่สถานีรถไฟนานแล้วแม้แต่พนักงานจากโรงงานเครื่องจักรก็มาด้วยเช่นกันต่างจากโรงงานทอผ้าที่รุมล้อมซูมานอินพวกเขากลับรุมล้อมฉินเซียวเย่เว่แทน นั่นเป็นเพราะภาษากวางตุ้งของชินเสี่ยวยาวทาให้พวกเขาสามารถบรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับโรงงานเครื่องจักรแห่งหนึ่งในกวางตุ้งได้สําเร็จเพียงแค่คําสั่งซื้อแรกก็สูงถึงหนึ่งล้านหยวนแล้วส่วนใหญ่เป็นเพราะผลิตภัณฑ์ของพวกเรามีคุณภาพดีนะคะไม่อย่างนั้นต่อให้ฉันจะปากหวานแค่ไหนก็คงเจรจาธุรกิจไม่สําเร็จหรอกชินเสี่ยวเยเว่อมตัวอย่างหาได้ยากแต่ในสายตาของโรงงานเครื่องจักรนี้คือความดีความชอบของนางทั้งสิน้น ทั้งสองคนถูกห้อมล้อมเดินออกจากสถานีจนทําให้หยางเหวนจวินและกวัวโศกลางผู้อานวยการโรงงานทั้งสองคนถูกทิ้งไว้ข้างหลังทว่าทั้งสองกลับไม่ถือสาพวกเขากําลังดีใจจนเนื้อเต้นไอหยางเหล่ากวัวคุณว่าคําสั่งซื้อหลายล้านหยวนนี่กับแผนงานภารกิจก่อนหน้านี้ผมจะทํายังไงให้เสร็จทัะเนียกวัวโศกังถลึงตาใส่หยางเหวนจวินอย่าหน่อยทําเป็นยืดเชียวนะจําที่ซูมานอินพูดบนรถไฟได้ไหม ในขณะที่มีผลกำไรอยู่ต้องรีเพรงพัฒนาผ ส, สมความมั่งคั่งและค่อยสแสวงหาความแปลกใหม่และการเปลี่ยนแปลงไม่อย่างนั้นอีกส0ปีข้างหน้าพวกเราคงต้องล้มละลายกันหมดรู้แล้วน่าต้องรู้จักเตรียมพร้อมรับมือกับวิกฤตในยามสงบสินะเมือ่อในถึงทฤษฎีและกรณีศึกษาจากต่างประเทศที่ซูม่านอินอธิบายให้ฟังราวกับว่านั่นคืออนาคตของโรงงานทอผ้าอย่างไรอย่างนั้นเขาต้องกลับไปศึกษาให้ดีว่าจะเรียนรู้การปรับตัวและยกระดับอย่างไรเพื่อให้โรงงานทอผ้าดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงตลอดไป ซูมานอินเพิ่งจะเดินออกจากสถานีก็มีรถกระบะคันหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน้าบ้านหน้าเกาช้างเหอจะมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอชินเสี่ยวเย่เว่ตะลึงไปพวกเขานั่งรถไฟขบวนเดียวกันกลับมาแท้ๆระหว่างทางเขาลงรถไปส่งอุปกรณ์ในเมืองแต่ก็ไม่น่าจะมาถึงไห่เชิงได้เร็วขนาดนี้เมื่อประตูรถเปิด อ, ออกทั้งสองคนถึงได้พบว่าที่แท้คือเฟิงต้าจินพี่เขยของเกาช้างเหอนั่นเองช้างเหอโทรศัพท์มาที่บ้านนะครับบอกให้ผมมารับวีระบุรุษทั้งสองคน งั้นก็ลํำบากพี่เคยแล้วนะคะชินเสียวเย่เว่เอ่อเรียกอย่างทะเลนทั้งสองคนขึ้นรถพางโบกมือลาเพื่อนคนงานจากทั้งสองโรงงานไปที่ร้านอาหารก่อนเถอะค่ะคาดว่าทุกคนคงอยู่ที่นั่นกันหมดสูมานอินเตือนจากไปนานขนาดนี้นางค่อนข้างกังวลว่าร้านอาหารยังเปิดดำเนินกิจการเป็นปกติอยู่หรือไม่เมื่อไปถึงร้านอาหารและเห็นว่าทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนางก็วางใจแม่ครับพวกแม่กลับมาแล้ว โจเวยหมิ่นเดินยิ้มออกมาต้อนรับทำไมไม่กลับไปพักผ่อนที่บ้านก่อนล่ะครับนั่งตู้นอนมาตลอดทางได้นอนมาเต็มอิ่มแล้วก็ควรจะขยับร่างกายบ้างซูมานอินตอบด้วยรอยยิ้มต้าฮาวาและเสี่ยวสวีเห็นทั้งสองคนกลับมาก็รีบวิ่งเข้ามารุมล้อมทันทีชินเสี่ยวเยว่รีบหยิบขนมที่ซื้อมาจากงานแสดงสินค้าออกมาแจกให้เด็กทั้งสองคนทั้งสองคนไม่รอถามความเห็นจากพ่อแม่รีบรับของอร่อยไปพลางกล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้ม ซูมานอินเรียกตัวลวนอวิไหลมหาพลางยื่นใบสมัครงานให้เขาใปหนึ่งนี่คือการรับสมัครงานของสถานีโทรทัศน์ประจำเมืองเขาต้องการผู้ประกาศข่าวที่รู้ภาษามือเจ้าลองไปทดสอบดูนะลวนอวิไหลชะงักไปเขาโบกมือสื่อสารว่าตนเองชินกับการอยู่ที่ร้านอาหารแล้วและไม่อยากไปไหนไกลบ้านนี่เป็นโอกาสนะเจ้าอย่าปล่อยให้พรสวรรค์ของตัวเองเสียเปล่าสิ ในขณะที่ลวนอวิไหลกําลังลังเลหลิวโปที่อยู่ข้างๆก็ขยับเข้ามาหาอวิไหลเจ้าไปเถอะถ้าข้ามีหน้าตาและรูปร่างแบบเจ้าน่าข้าไม่มาคอยยกจานอยู่ที่นี่หรอกหลิวโปแล้วเจ้าอยากจะทําอะไรซูมานอินทลึงตาใส่หลิวโปอยากจะบินขึ้นฟ้าหรือไงนะครับผมก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองหลิวโปตกบาลลวนอวิไหลเชื่อฟังนะเถอะรับรองไม่ผิดหวังให้เด็กๆเสร็จก็นำผ้าพันคอและเสื้อผ้ามาแจกให้ซุนจิ๋วหลิงและจางชุยฮวา ว้าสวยจังเลยค่ะนี่นี่ใส่ไปข้างนอกได้จริงๆเหรอคะทําไมจะใส่ไม่ได้ล่ะพี่สไปยรองชิ้นเสือเยเวดึงซุนจิลิงมาตรงหน้าโจเวยหมิงพางอดว่าพี่รองดูสิว่าพี่สไปยสวยไหมโจเวยหมิงหน้าแดงพางยิ้มตอบสวยครับซุนจิลิงเขินจนต้องปิดหน้านางไม่คิดเลยว่าโจเวยหมิงจะพูดจาแบบนี้เป็นด้วยฉันต้องเก็บไว้ให้ดีรอใส่ตอนปีใหม่ จางชุยฮวาเก็บเสื้อผ้าไว้อย่างทนุถนอมแต่กลับถูกชินเสี่ยวเยเวดึงออกมาอีกครั้งใส่ตอนนี้เลยค่ะนั่งหยิบเสื้อผ้าอีกชุดส่งให้จางชุยฮวาส่วนชุดสีแดงแรงริกนี่เก็บไว้ใส่ตอนปีใหม่ไอหยาเสี่ยวเยเวนี่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่กันเนี่ยไม่ได้การล่ะฉันต้องให้เงินเธอไม่ต้องหลอกเขาไม่ได้ใช้เงินกี่มากน้อยเลยยังไม่เท่าเงินเดือนของพวกพี่เลยด้วยซ้ําจางชุยฮวาและซุนจิ๋หลิงชะงักไปเงินเดือนพวกเราสูงขนาดนั้นเลยเหรอ คราวนี้เป็นฉินเสี่ยวเย่เว่ที่ชงักแทนนางหันไปมองโจวเว่หมินที่รองที่คงไม่ได้ลำเอียงแอบให้เงินเดือนที่สไพร์รองเป็นพันหยวนหรอกนะขณะที่ทุกคนกําลังพูดคุยหยอกล้อกันหลิวโปก็ดึงซูม่านอินไปด้านข้างไลายยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้นางนะครับนี่เป็นของที่ผู้ชายที่มีรอยสักคนหนึ่งทิ้งไว้ให้เมื่อซูม่านอินเห็นข้อความในกระดาษหัวใจของนางก็สั่นสะท้านขึ้นมาทันทีเป็นอย่างที่คิดความทรงจําที่นางสูญเสียไปนั้นมีปัญหาจริงๆ นางเดินทางไปที่สถานีตำรวจและเป็นหวังเหลียนซานที่ออกมาต้อนรับนางอีกครั้งท่านผู้อํานวยการเก็ยังไม่กลับมาครับแต่ผู้อํานวยการเฉียวของเราอยู่ผู้อํานวยการเฉียวซูมานอินนึกขึ้นได้ผู้อํานวยการตัวจริงที่ลาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองขณะที่กําลังพูดอยู่นั้นเฉียวเลยก็ถือเอกสารเดินออกมาเมื่อเห็นซูมานอินเขาก็ชะ ง, งักไปครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาทักทายด้วยรอยยิ้ม คุณคือสหายูมานอินใช่ไหมครับผมเคยเห็นคุณในโทรทัสด้วยนะสวัสดีข้าผู้อำนวยการเฉียวความจำของคุณดีมากเลยนะคะซูมานอินเอ่ยทักทายด้วยรอยยิ้มทาไมครับมาหาชางเหอเหรอเขาน่าจะกลับมาถึงช่วงค่ๆครับตกลงข้างนั้นเดี๋ยวตอนค่าฉันค่อยมาใหม่แล้วกันเชียวเลยเห็นสีหน้าของซูมานอินดูไม่สู้ดีนะักจึงเอ๋ยเสริมขึ้นมาว่าถ้ามีเรื่องลาบากใจอะไรบอกพวกเราก็ได้เหมือนกันนะครับ ซูมานอินชะงักฝีเท้าผู้อํานวยการเฉียวค้ามีคนเตือนให้ฉันระวังตัวฉันไม่แน่ใจว่านี่คือการขม่มขู่หรือว่ากําลังมีอันตรายคืบพานเข้ามาจริงๆกันแน่ซูมานอินหยิบประดาษแผ่นนั้นออกมาส่งให้ทันทีเฉียวเลยรับไปดูแล้วดวงตาก็พันเป็นประกายขึ้นมาคุณพอจะรู้ไหมว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นอย่างไรซูมานอินเคยถามหลิวโปมาแล้วจึงเล่ารายละเอียดคร่าวๆออกไปโดยเฉพาะเรื่องที่เขามีรอยสักดูท่าจะเป็นเขาจริงๆ เฉียวเลยเอ่ยด้วยน้ำเสียงเด็ดขาดก่อนหน้านี้พวกเราเคยจับกลุ่มโจรลลกลอบคาน้ำมันตรงได้คนหนึ่งแต่เขากลับหนีรอดไปได้พวกเราตรวจสอบลายมือจากใบเสร็จที่ทิ้งไว้ก็เป็นลายมือของคนคนนี้แหละเขาชื่อหลีห่ฮารคุณรู้จักเขาไหมซูมานอินสายหน้าบอกว่าไม่รู้จักในขณะนั้นเองที่หน้าประตูสถานีตำรวจก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมานอินในที่สุดข้าก็หาเจ้าเจอเสียที